ยินดีในวันนี้รับสู่จากวัดป่าของการคุยธรรมะในวันนี้เอ่อมีข้าพเจ้าพระ นะนั่งสมาธิเดินจงกรมบ้างก็มีในการปฏิบัติในว่าไม่ว่าจะ นายระลึกถึงเรื่องสติเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ละนามว่าขอ อ่ะเป็นมนต์ทีนี้มีคนคิดขึ้นในกวนมกรขอจงพระพุทธเจ้าเนี่ยจงขึ้นสู่ประสาทที่สําเร็จแล้วด้วยธรรมแล้วก็ให้ไป นี่แหละเนี่ยเราจะสอนยังไงดีนะความแลแล 4 แล้ว นะมีปรีดิ์พิตกในใจขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยสัมบริพรหมนี่ก็วาบลงมาจากเทวดาชั้นพรหมเลยท่านฟังนะวาบลงมาอยู่ต่อหน้านะเอาขาคู่ลงข้าง 4 เหมือน หรือสามารถสมฤเจ้าที่จะมาอุบัติขึ้นในอนาคตนั้นก็จะสอน 4 เหมือนกันถึงแม้สามารถสมฤเจ้า ก็คิดว่าจะสอนเรื่อง 4 นะถึงแม้ตอนก่อนจะปรินิพพานนะก่อนที่จะปรินิพพานหลับตาเข้าสมาธิแล้วก็ปรินิพพานไปเนี่ยก็ได้ นะคนอย่างไรจะเรียกว่าคนไม่ 45 ปีเรื่อง 8 สติก็อยู่ใน 8 ก็มี นะเราจึงต้องมาทําความเอ่อคุ้นใจเรื่องสตินะคนไปทํางานคุณขับ คือแม้ว่าเรามีทั้งสติเนี่ยมีทั้งสตางค์ด้วยนะคือหมายความว่าถ้าเรามีสติใน นึงในอริยทรัพย์ทั้ง 7 อย่างสตินี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติในอย่างคนที่มีเงินในกระเป๋าตรงๆ คือถ้าทําไปทําชั่วตามที่คุณเนี่ยเขามาชวนในทีนี้ถ้าใจเรามีสติ ก็มีอริยะสัพๆมันก็จะให้ตั้งตรง นะพระเจ้าบอกว่าถ้าเรามีสติก็สติเนี่ยจริงๆหมายถึงการระลึกถึงนะระลึกถึงหรือระลึกได้นะเราระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเรานึกถึงแม่นึกถึงพ่อนึกถึงเรื่องเก่าๆนึกถึงคน จำคำที่พูดแล้วแม้นานได้นั่นคือความที่จะดึงข้อมูลที่คุณนึกถึง คุณนึกถึงบุรุษอ่านั่นแหละพุทธานุสติละนะตรงที่ว่าบุรุษทําความดีมาเอ้าคุณเห็นๆที่เรามีอันนี้มันก็ เราจะคล้ายตามไปเด่นทําความชั่วหรือเราเห็นคนทําชั่วเราจะมานึกถึงความดีนะอันเนี้ยมันฝึกกันๆเนี่ย นะเด็กเลี้ยงควายนี่ต้องพาควายไปตาม นานาก็มีแต่นาว่างๆมีแต่สังข้าวตอข้าวใช่มั้ยแล้วเด็กไปพานี้นะนี้อยอย 2 อย่างใน 2 อย่างกับกรณีแรกเนี่ย นึกคือควระวังจิตของเธอนั่นเองอย่า นะมีความความคิดในทางไม่เกี่ยวข้องด้วยการไม่เรา นะไม่ให้จิตเราเนี่ยมันไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์ที่ไม่ดีนะว่าฝึกๆ นะสติปัฏฐาน 4 เนี่ยไม่ใช่ 4 ทางนะเพื่อน 4 อย่างนั่นคือสติปัฏฐาน 4 นั่นเองนะองค์ประกอบอยู่ 4 อย่างก็คือเหมือนเส้น นั่นต้องมีโคมไฟนะตอนกลางคืนเผื่อว่ามีปัญหาต้องมีร่องน้ํานะๆนะหรือว่าดินทรายมันจะเดินยาก สายหลักเนี่ยเราจะขึ้นเชียงใหม่ไปสู่ไหโกลกหรือมา ทางตาพวกนี้ต้องเป็นองค์ประกอบที่ให้หนทางเนี่ยมันมันไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันหนทางที่จะไปถึงนิพพานได้หนทางที่ 8 บ้างและ 4 บ้างใน 4 อยู่ณ ร่างกายก็ได้นะคุณระลึกถึงกาย 2 คือเวทนาคุณระลึกถึงเวทนาก็ได้นะใช้ อันนี้เราใช้ตรงนี้เป็นฐาน บอกกับ